ชื่อรองจงหนีเป็นนักคิดและเป็นนักปราชญสังคมที่มีชื่อเสียงของจีนคำสอนของของจื้อนั้นฝังรากลึกลงไปในสังคมเอเชียตะวันออกมาเป็นเวลาถึง20สศตวรรษหลักปัจจัยยาของของจื้อนั้นเน้นเกี่ยวกับศีลธรรมส่วนตัวและศีลธรรมในการปกครองความถูกต้องเหมาะสมของความสัมพันธ์ในสังคมและความยุติธรรมและบริสุดใจ เมื่อคงจื้อเกิดมาได้สมปีพ่อที่เป็นคนสูงใหญ่แข็งแรงก็ตายจากไปเด็กน้อยชอบเล่นตั้งโต๊ะเส้นไหวชอบเรียนแบบท่าทางพิธีกรรมของผู้ใหญ่เมื่ออายุได้15ปีฝักไฝ่การเล่าเรียนอายุ19ปีได้แต่งงานกับแม่นางหยวนกวนในปีถัดมาได้ลูกชายให้ชื่อว่าคงลีอายุ20ขอคงจื้อได้เป็นเสมียนยุ้งฉาง และได้ใส่ใจความถูกต้องเนื่องจากทำงานเกี่ยวกับตัวเลขต่อมาเมื่ได้ทำหลายหน้าที่รวมทั้งคนดูแลสัตว์คนคุมงานก่อสร้างและในระหว่างที่ศึกษาพิธีกรรมจากรัดโจก็ได้โอกาสไปเยี่ยมเล่าจือ้ขอขงจื้อมีความสัมพันธ์อันดีกับเสนาธิปดีขององจิงและได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นพ่อบ้านและได้มีการพูดคุยกับองในการวางแผนและหลักการปกครอง แต่เนื่องจากโดนใส่ความจากที่ปรึกษาของรัฐของจื้อจึงต้องเดินทางต่อไปรัฐอื่นภายหลังจึงได้ฝากฝังตัวเองเข้าช่วยบ้านเมืองกับ อ, องติง่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิบดีใหญ่บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองอัพยากรลดลงคนมีคุณธรรมและเคารพผู้อาวุโสและในระหว่างนั้นได้มีการแบ่งแยกดินแดนขึ้นการแย่งชิงเมืองต่างๆเกิดขึ้น คงจื้อจึงได้เดินทางจากไปสู่เมืองต่างๆเรียนรู้หลักการปกครองและวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละที่ภายหลังได้ถูกหมายอชีวิตและถูกขับไล่ให้ตกทุกข์ได้ยากและเมื่อได้กลับมาสู่แฟนลู่อีกครั้งคงจื้อได้เริ่มรวบรวมพิธีกรรมโบราณบทเพลงตำราบโบราณและลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและได้สั่งสอนลูกศิษย์แถบแม่น้ำซูกับแม่น้ำสีภายหลังคงจื้อได้ล้มป่วยหนัก และเจ็ดวันให้หลังก็ได้อําลาโลกตรงกับเดือนสี่ทางจันทรคติในปีที่ส6บรัชสมัย อ, องอี้รวมอายุได้เจบสาปีขงจื้อมีวิธีของตนในการรับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนในชนชั้นใดแค่มอบสิ่งของเล็กน้อยเป็นค่าเล่าเรียนแม้แต่เนื้อตักแห้งเพียงชิ้นเดียวก็รับไว้เป็นลูกศิษย์เล่ากันว่าท่านมีลูกศิษย์มากถึงมพันคนที่ยกย่องกันมาว่า มีความรู้ปราดเตื่อมและมีคุณธรรมสูงส่งมี70คนจากสารุสิตเจ็ดสคนนี้คนรุ่นหลังจึงได้ทราบถึงแนวคิดต่างๆของคงจื้อเนื่องจากลูกศิษย์ของคงจื้อได้บันทึกคำสอนของอาจารย์ตนไว้ในรูปแบบของคำสนทนาระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์โดยขึ้นต้นว่าอาจารย์กล่าวว่าภายหลังลูกศิษย์ได้นําคําสอนของคงจื้อมาประมวลแล้วเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือว่าหลุนอวี บ้านปลายชีวิตองจื้อก็ได้รวบรวมบันทึกพงศาวดารและปรากฏการธรรมชาติต่างๆที่มีชื่อว่าชุนชิวองจื้ อ, อยังเป็นบรรณาธิการหนังสือสำคัญต่างๆทางวรรณคดีจีนซึ่งเป็นที่ยกย่องภายหลังได้แก่ซูจิงตำราประวัติศาสตร์ซอจิงตำราว่าด้วยลำนำกวีเป็นผู้ตรวจแก้วีจิงตำราว่าด้วยการดนตรี แต่หายสับสูนไปในภายหลังและหลี่จี้ตําลาว่าด้วยจารีดประเพณีหนังสือทั้งห้าเล่มนี้รวมกันในภาษาจีนอู่จิงเรียกว่าคำพีทั้งหของจื้อเน้นหนักไปการบ่มเพาะเรื่องเมตตาธรรมความชอบธรรมและจารีดประเพณีคำสอนของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและงดงามอย่างยิ่งความคิดของของจื้อได้กลายเป็นแกนหลักสาคัญในวัฒนธรรมจีน และมีอิทธิพลสําคัญต่อความคิดของชนชาติจีนคุณธรรมที่คงจื้อสั่งสอนคือเหรินหรือเมตตาธรรมเมื่อลูกศิษย์ของท่านมีนามว่าขงจือ้อเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอะไรเรียกว่าเหรินท่านก็จะตอบโดยพิจารณาตามบุคลิกอุปนิสัยใจคอของลูกศิษย์คนนั้นๆดังนั้นเมื่อเห็นคําอธิบายกับลูกศิษย์แต่ละคนแล้วก็จะไม่เหมือนกันเลยต้องเอาคำอธิบายทั้งหลายมารวมกัน จึงจะเป็นความหมายอันสมบูรณ์แบบของเหรินพอถึงวัยชราคงจื้อได้ใช้เวลาทุ่มเทอยู่กับการจัดการประวัติศ า, ศาสตร์และดำเนินการด้านศึกษาต่อไปขงจื้อก็ได้ถึงแก่กรรมปี479ก่อนคริสตศักราชร่างเขาถูกฝังไว้ที่ซื่อซุยทางเหนือของรัฐหลูปัจจุบันอยู่ในมณฑลซานตงก่อนสิ้นใจคงจื้อได้ทิ้งท้ายข้อความไว้กับซื่อคงว่า ขุนเขาต้องพังทลายคือกานแข็งปานใดสุดท้ายก็ต้องพังลงมาเหมือนเช่นบัณฑิตที่สุดท้ายต้องร่วงโรยที่คือหลักความรู้ของของจื๊อจากนี้จะขอกล่าวถึงาศาสตร์สีแขนงของของจื๊อบ้างที่ขงจื๊อวางรากฐานไว้ศาสตร์สีแขนงได้แก่วัฒนธรรมความประพฤติความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ โดยวัฒนธรรมเน้นถึงการเคารพ บ, บรรพบุรุษและพิธีการโบราณยึดถือผู้อาวุโสเป็นหลักแต่ไม่ยึดติดหรืออายที่จะหาความรู้จากคนที่ต่ำชั้นหรืออายุน้อยกว่าแปดหลักการพื้นฐานในการเรียนรู้ได้แก่สำรวจตรวจสอบขยายพรมแดนความรู้จริงใจแก้ไขดัดแปลงตนบ่มความรู้ประพฤติตามกฎบ้านเมืองประเทศต้องได้รับการดูแล นำความสงบสุขมาสู่โลกลำดับของการเรียนรู้ได้แก่พิธีกรรมดนตรียิงธนูขี่มา้าประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์คุณธรรมทั้ง3ที่ได้จากการเรียนรู้ได้แก่ภูมิปัญญาเมตตากรุณาและความกล้าหาญ4ขั้นตอนของหลักการสอนได้แก่ตั้งจิตใจไว้บนมัควิธีตั้งตนในคุณธรรม อาศัยหลักเมตตาเกื้อกูลสร้างศิละปะใหม่ๆสี่ลำดับการสอนได้แก่คุณธรรมและความประพฤติภาษาและการพูดจารัฐบาลและกิจการบ้านเมืองและสุดท้ายคือวรรณคดีลัทธิของของจื้อเป็นศาสนาหรือลัทธิที่มีขงจื้อเป็นผู้วางรากฐานให้กับลัทธิคงจื้อที่มุ่งแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสังคมของจีน ในช่วงระหว่างปี479ถึง551ก่อนคิดตะศกราของจื้อได้วางรากฐานมุ่งแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสังคมของจีนในสมัยจราจนโดยเน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุขเรียบร้อยทั้งนี้จะถือหลักของเรื่องมนุษยธรรมและจารีตประเพณีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักแห่งสัมพันธภาพทั้ง5ประการได้แก่ เมตตาธรรมมโนธรรมจริยธรรมสตยธรรมปัญญาธรรมซึ่งก็สอดคล้องกับหลักของศีลห้าของพุทธศาสนาที่มีบุคคลบางคนกล่าวว่าศา ส, สนาของคงจื้อเป็นระบบของศิลธรรมหรือหน้าที่ของพลเมืองที่ดีมากกว่าศาสนาเพราะขงจื้อไม่ได้ส่งเสริมให้มีความเชื่อในพระเจ้าที่เป็นตัวตนหรือการสวดอ้อนวอนตลอดจนการบูชาพระผู้เป็นใหญ่ แม้คงจื้อจะสอนหนักไปทางจริยธรรมและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีแต่หนังสือบางเล่มที่คงจื้อแต่งไว้ก็ได้กล่าวถึงเทพเจ้าและอำนาจของเทพเจ้าที่มีอยู่เหนือโลกเช่นคำภี์อี้จิงหรือคมภีร์ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงได้กล่าวถึงสร้างตี้หรือเสียงตีซึ่งเป็นผู้สร้างโลกเป็นที่น่าสังเกตว่าคงจื้อเขียนคำพี์อี้จิงอันว่าด้วยจั ก, กรวาลและการสร้างโลกนั้น เป็นเพียงการรวบรวมความเชื่อของคนเก่าที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเกี่ยวกับการสร้างโลกตามความเห็นและความเชื่อถือของคนโบราณขงจื้อสั่งสอนลูกศิษย์โดยไม่เลือกชั้นวันนะลูกศิษย์ของคงจื้อจึงมีทุกชนชั้นทําให้เกิดชนชั้นปัญญาขึ้นในสังคมจีนปัญญาชนเหล่านี้มีเป้าหมายอยู่ที่การเข้ารับราชการโดยหวังว่าปัญญาความรู้ความสามารถที่ได้รับการอบรมมานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการปกครองบ้านเมือง และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและฐานะให้กับตนเองครอบครัววงตระกูลอีกด้วยลทัทธิขงจือ่อเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าแนวคิดอยู่ซึ่งหมายถึงแนวคิดของปัญญาชนผู้ที่ศึกษาแนวคิดของคงจือ่อและนักคิดคนอื่นๆในกลุ่มนี้เรียกกันในสมัยโบราณว่าปัญญาชนอยู่หรือชาวอยู่ปัจจุบันลทัทธิคงจือ่อแม้จะหมดบทบาทไปนในด้านการเมือง แต่ในด้านวัฒนธรรมและที่ขงจื้อก็ยังฝังรากลึกลงอยู่ในสังคมของจีนนานนับเป็นศตวรรษจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนปัชญาปัจเจกชนขงจื้อเชื่อว่าความเจริญหรือความเสื่อมของโลกของสังคมเกิดมาจากปัจเจกชนหรือแต่ละบุคคลเป็นรากฐานเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องพัฒนาคนให้ดีเสียก่อนแล้วสังคมประเทศตลอดถึงโลกก็จะดีขึ้นเองตามอัตโนมัติ ผมยึ้เชื่อว่าการที่จะเป็นคนดีได้นั้นแต่การแรกจะต้องได้รับการศึกษาการได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเท่านั้นจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็ได้แต่เมื่อมีการศึกษาก็จะทำให้ฉลาดรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นไปเพื่อความเจริญและอะไรเป็นไปเพื่อความเสื่อมเมื่อรู้แล้วก็จะหาทางหลีกเลี่ยงความเสื่อมและดาเนินไปสู่ความเจริญ คงจื้อเชื่อว่าทุกคนมีอัธยาศัยใกล้เคียงกันแต่ที่มาแตกต่างกันเป็นคนดีคนชั่วคนฉลาดคนโง่ก็เพราะการศึกษาอบรมอย่างเช่นคนที่มีการศึกษาอบรมก็ย่อมจะรู้จักปรับปรุงตนให้ดีขึ้นได้สละความไม่ดีทิ้งออกไปเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นผลให้เป็นคนดีแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็เป็นคนชั่วดังที่คงจื้อกล่าวว่า การไม่อบรมตนให้มีคุณธรรมหนึ่งการไม่สอดแสวงหาความรู้หนึ่งประสบความชอบธรรมแล้วไม่อนุวัตตามความชอบธรรมนั้นหนึ่งการไม่สละความผิดด้วยการปรับปรุงตนใหม่หนึ่งทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ของฉันคนที่ฉลาดย่อมปรับปรุงตนเองเพื่อให้สูงอยู่เสมอทั้งสามารถหาสาระได้จากสิ่งที่ไม่มีสาระเลยอย่างที่คงจื๊อกล่าวไว้ว่าในจานวนคนสคนที่เดินมาด้วยกัน จะต้องมีคนที่สามารถเป็นครูของฉันได้จงเลือกเอาแต่จุดที่ดีของเขามาปฏิบัติส่วนจุดที่เสียก็จงละเว้นหรือองจื้อกล่าวไว้ว่าจงร่อนเอาความดีออกจากสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินและปฏิบัติตามความดีเหล่านั้นจงร่อนเอาความดีออกจากสิ่งต่างๆที่ท่านได้เห็นและจดจำเอาความดีเหล่านั้นไว้คงจื้อมีความเห็นว่าคนดีจะต้องช่วยกัน ร, รักษาจารีตประเพณี ตลอดถึงมารยาทที่ดีเอไว้เถ้าเรื่องเหล่านี้ได้ผ่านการกั่นกรองและทดสอบด้วยการเวลามาแล้วจารีตประเพณีตลอดถึงมารยาทที่ดีงามนั้นจะทําให้เป็นอารยะชนไม่ป่าเถื่อนและจะช่วยให้คนก้าวหน้าไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้นต่อไปและการที่สําคัญยิ่งคนดีจะต้องมีหลักธรรมประจําใจยึดมั่นในคุณธรรมเช่นความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรมความกล้าความเมตตาการุณาเป็นต้นคนดีจะต้องเทิดทูนคุณธรรมไว้ยิ่งชีวิตดังที่คงจื๊อกล่าวว่าบัณฑิตย่อมเห็นแก่คุณธรรมยิ่งกว่าปากท้องหรือบัณฑิตผู้มีคุณธรรมย่อมไม่ทำลายธรรมเพราะเห็นแก่ชีวิตแต่ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้คงจื๊อสนับสนุนให้คนเทิดทูนธรรมยิ่งกว่าชีวิตข้อนี้ตรงกับโซเครติส นักปัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกและตัวของโซเครติสนี่เองก็ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้วหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเชิดชูคุณธรรมเช่นกันแสดงว่าคุณธรรมมีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆขคงจื้อได้กล่าวถึงคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญไว้เป็นเอกในเช่นสิ่งเหล่านี้บัณฑิตคอยต่อต้านคือการตันหาในเนื้อหนังในวัยหนุ่มการระรานในวัยชกำลังและมีความละโมบในวัยชรา บัณฑิตย่อมคิดถึงแต่อุปนิสัยของตนส่วนคนพาลคิดแต่ตำแหน่งของตนฝ่ายแรกคิดหาวิธีแก้ไขความผิดแต่ฝ่ายหลังคิดถึงแต่ความปวดปรานบัณฑิตแสวงหาสิ่งที่เป็นความถูกต้องส่วนคนพาลจะเสะแสวงหาแต่ผลประโยชน์คุณสมบัติแก่นสารสี่อย่างของวีรชนคือเขาเป็นคนถ่อมตนคารวนบน้อมต่อผู้ใหญ่มีความกรุณาต่อคนทั่วไป และเป็นคนยุติธรรมเสมอปรัชญาทางสังคมของคงจื้อสังคมมิใช่อื่นไกลคือการรวมตัวของปัจเจกชนนั่นเองคนเราไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยเมื่อมีความเกี่ยวข้องกันสังคมจึงเกิดขึ้นและเมื่อมีความเกี่ยวข้องกันก็จำเป็นจะต้องมีหลักในการปฏิบัติต่อกันเป็นเหตุให้เกิดปรัชญาทางสังคมขึ้นมา คงจื้อได้จัดความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล5ประเภทพร้อมทั้งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันดังต่อไปนี้ 1. ผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้การปกครองโดยผู้ปกครองแสดงความนับถือให้เกียรติส่วนผู้อยู่ใต้ปกครองก็ต้องจงรักภักดี 2. บิดามารดากับบุตรธิดาโดยบิดามารดาให้ความเมตตากรุณาส่วนบุตรธิดาก็มีความกตัญญูกตเวที สามสามีกับภรรยาโดยสามีมีคุณธรรมฝ่ายภรรยาก็ต้องเชื่อฟัง 4. พี่กับน้องโดยที่วางตัวให้สมกับเป็นพี่ส่วนน้องก็ควรเคารพเชื่อฟังผู้เป็นพี่ 5. เพื่อนกับเพื่อนต่างก็ต้องทำตัวให้หน่าเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ขงจื้อมีความเห็นว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นก็เพราะคนไม่ทำตามหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ เช่นบิดามารดาไม่เลี้ยงดูบุตรธิดาให้ดีบุตรธิดาก็ไม่มีความกตัญญูกระตะเวทีต่อบิดามารดาสามีกับภรรยาต่างนอกใจกันเป็นต้นผลก็คือความเดือดร้อนต่างๆก็จะมาตกแก่สังคมทําให้สังคมเดือดร้อนแต่ตรงกันข้ามหากทุกคนทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ปัญหาความวุ่นวายของสังคมก็จะหมดไปเพราะฉะนั้น การทําหน้าที่ของตนให้ดีจึงมีความสําคัญดังที่คงจื้อว่ากษัตริย์ต้องทําหน้าที่ของกษัตริย์ให้สมบูรณ์ขุนนางต้องทําหน้าที่ของขุนนางให้สมบูรณ์บิดามารดาก็พึงทําหน้าที่ของบิดามารดาให้สมบูรณ์บุตรธิดาก็ต้องทําหน้าที่ของบุตรธิดาให้สมบูรณ์และการที่แต่ละคนจะทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้นได้ก็เพราะมีใจตั้งอยู่บนคุณธรรมพื้นฐานคือ เอาใจเขามาใส่ใจเราเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็เช่นกันฉันนั้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราภาษาจีนเรียกว่าสู้อย่างเช่นครั้งหนึ่งจื่อกงถามคงจื้อว่าจะมีคำศัพําใหมที่จะนำมาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตปรัชญาสังคมของของจื้อก็ทำนองเดียวกับคาสอนในพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าขิหิปฏิบัต ตอนที่ว่าด้วยทิศทั้งหกได้แก่ทิศ ต, ตะวันออกคือบิดามารดาทิศใ ต, ต้คือครูอาจารย์ทิศ ต, ตะวันตกคือบุตรภรรยาทิศเหนือคือมิตรสหายทิศเบื้องบนคือนักบวชและทิศเบื้องต่าคือข้าทาสและบริวารหรือผู้น้อยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะมีความเกี่ยวข้องกันในฐานะใดฐานะหนึ่งหรือหลายฐานะ โดยอยู่ในฐานะไหนก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อย่างเช่นบิดามารดามีหน้าที่ต้องทำต่อบุตรธิดาคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้การศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้ 5. มอบมรดกให้เมื่อถึงเวลาส่วนบุตรธิดาก็ต้องทำหน้าที่ของตนต่อบิดามารดาคือ 1>, 1. เลี้ยงดูท่านตอบ 2. ช่วยทำกิจการธุระของท่าน 3. ดํดำรงวงตระกูลของท่าน 4. ประพฤติตัวให้สมควรรับมรดกจากท่าน 5. เมื่อบิดามารดาสิ้นชีพไปแล้วก็หมั่นทำบุญอุทิศกุศลให้ท่านเหล่านี้เป็นต้นส่วนปัชญาทางด้านการเมืองสังคมทั้งหลายเมื่อเรามารวมตัวกันก็เป็นเหตุให้เกิดรัฐขึ้นมาเมื่อมีรัฐหรือรัฐบาล หรือประเทศก็ต้องมีผู้ปกครองหรือรัฐบาลคอยปกครองดูแลสังคมให้เป็นไปอย่างปกติสุขและเจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ก็เป็นความจริงที่ว่ายังมีผู้ปกครองหรือรัฐบาลที่ไม่ดีอยู่มากใช้วิธีกดขี่ทารุณประชาชนทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนมากอย่างเช่นคราวหนึ่งคงจื้อพาคณะเดินทางไปรัชฉีขณะที่ผ่านป่าใหญ่ใกล้เชิงเขาไทซาน ก็ได้ยินเสียงร้องไห้สืบซื่อื่นของหญิงคนหนึ่งของจื้อจึงพูดขึ้นว่าเสียงร้องไห้ฟังโหยหวนโศกาอาดูนยิ่งนักหญิงผู้นั้นคงจะมีทุกข์หนักเป็นแน่แท้จึงได้ใช้ชื่อกงไปถามหญิงคนนั้นหญิงคนนั้นได้ตอบชื่อกงว่านาชายของฉันถูกเสือกัดตายไปไม่นานมานี้ต่อมาสามีของฉันก็ถูกเสือกัดตายเช่นกันครั้นมาบัดนี้ลูกชายของฉันก็ต้องมาตายเพราะถูกเสือกัดอีก จื้อกงจึงถามว่าและทำไมไม่ย้ายบ้านหนีไปเล่าผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าก็ไม่อยากย้ายหรอกก็เพราะที่เนี้ยไม่มีรัฐบาลที่กดขี่ทารุณ น, นะสิจื่อกงจึงนําความไปบอกของจือ้อเมื่อของจื้อได้ฟังด้วยความสลดใจได้กล่าวขึ้นว่าสิทธิ์ทั้งหลายจงจําเอาไวเ้เถิดอันรัฐบาลที่กดขี่ทารุณ น, นั้นมันดายยิ่งกว่าเสือเสี อ, อีกของจื้อได้รับความประสบกระเทือนทางจิตใจมากจากเรื่องที่ฟังมา จึงคิดหาทางที่จะให้มีนักปกครองหรือรัฐบาลที่ดีให้จงได้จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปรัชารัฐหรือปรัชญาการเมืองขึ้นมาโดยส่วนตัวองจื้อนิยมชมชอบรัฐศาสตร์จารีตนิติธรรมเนียมโบราณสมัยพระเจ้าเงี้ยวพระเจ้าสุนพระเจ้าอูและราชวงศ์โจโดยเฉพาะโจกงรัฐบุรุษเชื้อสายราชวงศ์โจเป็นบุคคลแบบอย่างในอุดมคติของคงจื้อ คงจื้อจึงพยายามบำเพ็ญตนให้เหมือนกับโจโกงทั้งเทิดทูนพระกิตติคุณของกษัตริย์ดังกล่าวมานั้นคงจื้อได้เสนอปัชญาัการเมืองขึ้นมามีเป้าหมายเพื่อนำสันติสุขและความเจริญให้ประชาชนเป็นที่ตั้งเหตุที่สำคัญที่จะโดนบันดาลให้บรรลุถึงผลดังกล่าวได้ก็ได้อยู่ที่ตัวของผู้นำหากได้ผู้นำที่เป็นคนดีมีความรู้ก็จะสามารถทําให้สํำริดผลได้เพราะฉะนั้นคงจื้อจึงให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้นำเป็นการใหญ่ แต่ทำอย่างไรจรึงจะสามารถสร้างผู้นำที่ดีให้เกิดขึ้นได้คงจื้อเชื่อว่าการที่จะสร้างให้เป็นคนดีแต่การแดกจะต้องให้มีการศึกษาอบรมเสียก่อนวิชาที่คงจื้อสอนมีหลายวิชาหรือที่เรียกว่าศาสตร์ทั้ง6ซึ่งก็มีประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์นิติธรรมเนียมกวีนิพนธ์ดนตรีเพราะนิติธรรมเนียมประเพณีตลอดถึงมารยาททางสังคม เป็นแนวทางให้คนดำเนินไปสู่ความเป็นไปอารยชนเป็นคนเมืองมิใช่คนป่าส่วนวิสากรวินิพนธ์ก็เพื่อให้ใจเห็นความงามและเป็นระเบียบทําให้เกิดแรงบนนันดาลใจนําไปสู่การคิดคานึงถึงความทรงจําเก่าๆทั้งเป็นการเสริมสร้างการสมาคมและเป็นการระบายความไม่สมหวังของตนได้ด้วยส่วนวิจัยดนตรีก็เพื่อให้ทราบซึ้งถึงความไพเราะความกลมกลืนกันดนตรีมิเพียงแต่ทําความรู้สึกนึกคิดให้กลมกลืนกันได้เท่านั้น แต่ยังนําความสับสนวุ่นวายของสังคมไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยวิชาทั้ง3นี้เป็นไปเพื่อกล่อมกล่าวใจคนให้อ่อนโยนและมุนละไมเหมาะที่จะปลูกให้มีคุณธรรมต่อไปขงจื้อได้กล่าวไว้ว่าอุปนิสัยของคนอาจปลูกฝังขึ้นได้ด้วยกวีนิพนธ์เสริมพลังสร้างให้มั่นคงด้วยจารีตประเพณีและทําให้สมบูรณ์ได้ด้วยดนตรีความเป็นไปของของจื้อหลายอย่างคล้ายกับ โซครติส so อย่างเช่นองจื้อและโซเครติสชอบสา ะ, ะแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดยอนทั้งพยายามสั่งสอนอบรมคนอย่างไม่เบื่อนายโซครติสกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้อย่างเดียวว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือ I know one thing that I know nothing ส่วนคงจื้อได้กล่าวว่าลักษณะของผู้รู้คือผู้รู้ตัวว่าเรารู้อะไรบ้างและไม่รู้อะไรบ้าง ทั้งที่ของจื้อกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าสอนอะไรหากท่านรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นั่นลหละคือความรู้ข้อนี้กระตรงกับคำสอนในาศาสนาคริสต์ที่พระเยซูสอนไม่ให้สบทษาบานแต่ให้พูดตามความจริงถ้าใช่ก็ว่าใช่ถ้าไม่ก็ว่าไม่พูดเท่านี้พอคำพูดที่เกินกว่านี้ย่อมมาจากความชั่ว โซเครติสเที่ยวสั่งสอนอบรมคนให้เป็นคนฉลาดและเป็นคนดีดังที่เขากล่าวว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในกรุงเอเธนตามเทวะบัญชาจะคอยชักนำชาวเอเธนให้ทําความดีตลอดเวลาจะอยู่กับท่านไม่จากไปไหนดุจตัวไรไม่พลากจากมา้าข้าพเจ้าจะทําตัวเหมือนบิดาหรือพี่ชายใหญ่คอยให้โอวาดเพื่อดาเนินชีวิตไปในทางที่ชอบที่ควรพยายามให้แต่ละคนเลิกคิดถึงเรื่องว่าคนมีอะไร แต่ให้คิดเสียใหม่ว่าตนคืออะไรให้ศึกษาทางที่จะเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีส่วนคงจื้อก็เทียวสั่งสอนอบรมคนให้เป็นคนฉลาดและคนดีอีกเช่นกันและการใช้ดนตรีและกวีนิพนธ์มาเป็นหลักสูตรในการศึกษาของคงจือ้อก็เหมือนกับวิธีการของเพลโตสิทธิเอกของโซเครติสเพลโตถือว่าดนตรีและกวีนิพนธ์มีอนุภาพช่วยกล่อมกล่าว จ, จิตใจให้อ่อนโยน คนที่จะได้รับคุณธรรมต่อไปดนตรีทำให้วิญญาณได้ส่วนทำนองเดียวกับกายบริหารทำให้ร่างกายได้สัสดส่วนชั้นนั้นองจื้อก็เช่นกันถือว่ากาวินิพนธ์และดนตรีเป็นเครื่องมือในการกล่อมกล่าวอารมณ์ให้สงบปราณีได้อย่างดีเช่นกันองจื้อเป็นคนรักดนตรีอย่างยิ่งจนได้รับเกียรติว่าเป็นปริญจาแห่งดนตรีเมื่อเขาเดินทางไปอาศัยรัชฉีคงจื้อได้ศึกษาดนตรีของนครฉี จนลืมรถอาหารถึงสมเดือนดังที่ของจื้อกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยสดับเสียงดนตรีที่ไพเราะสนเอโซดอย่างนี้เลยตลอดชีวิตของท่านได้อาศัยกวีนิพนธ์และดนตรีเป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากก็ว่าได้ของจื้อได้วิจารณดนตรีสมัยพระเจ้าสุ่นว่าทั้งไพเราะทั้งดีงามทั้งนี้ก็เพราะมีเนื้อหาและคานองนุ่มนวลสงบเย็นผิดกับดนตรีสมัยพระเจ้ า, จาโจ อ, อู่ อ, องซึ่งก็ไพเราะ แต่ขาดความดีงามเพราะเนื้อเพลงและทำนองรวดเร็วรุนแรงแบบรบพุ่งปลับรามวิชาดนตรีและกะวีนิพนธ์จึงเป็นหลักสูตรสาคัญอย่างยิ่งในการศึกษาของนักเรียนทุกคนในมหาวิทยาลัยของของจื๊อการศึกษาวิชาการต่างๆผู้ที่จะศึกษาจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าศึกษาว่าตามๆกันไปโดยไม่คิดนึกตึกตรองให้เห็นอย่างท่องแท้ ถ้าศึกษาแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ได้ทำนองเดียวกันการคิดเอาเองโดยไม่เรียนก็ไม่ดีเช่นกันดังที่คงจื๊อกล่าวว่าการศึกษาโดยปราศ จ, จากความคิดก็ไร้ประโยชน์ทำนองเดียวกันความคิดที่ปราศ จ, จากการศึกษาก็เป็นอันตรายคงจื๊อให้ความสําคัญต่อการศึกษามากคนที่ได้รับการศึกษาแล้วไม่รับประโยชน์นั้นไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนควรศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนแต่ปฐมัยดูจะเหมาะกว่า ดังมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งคงจื้อถูกถามว่าการศึกษาดีสำหรับคนทุกคนหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าการที่ศึกษาได้สามปีแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการศึกษานั้นหายากเหลือเกินคงจื้อถูกถามอีกว่าการศึกษาดีทุกเวลาทุกวัยหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าการศึกษาดีทุกเวลาและทุกวัยแต่ถ้าได้รับการศึกษาเมื่อยังหนุ่มย่อมดีกว่า คงจื้อมีความเชื่อว่าทุกคนมีอัธยาศัยคล้ายกันและจากที่ขงจื้อมีความเชื่อว่าทุกคนมีอัธยาศัยคล้ายกันโดยธรรมชาติคืออยากเป็นคนดีไม่อยากเป็นคนชั่วแต่ที่ต้องถลำตัวเป็นคนชั่วก็เพราะสองสาเหตุคือไม่ได้รับการศึกษาอบรมจึงทําให้ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วความจําเป็นเช่นกา ร, รบังคับความอดอยากยากจนหากรัฐสามารถแก้เหตุทั้งสองอย่างนี้ได้ก็จะไม่มีคนชั่วอีกต่อไป คงจื้อได้พิสูจน์ให้เห็นทฤษสดีนี้แล้วว่าสมเหตุสมความมุ่งหมายเรื่องมีอยู่ว่าสมัยที่คงจื้อกำลังมีชีวิตดุ่งโรดในทางการเมืองในแคว้นหลูโดยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคงจื้อได้ใช้อำนาจหน้าที่ออกระเบียบแก้ไขนักโทษล้นคุกดังต่อไปนี้ประการแรกคงจื้อได้ทำการศึกษาประวัตินักโทษแต่ละคนตลอดจนถึงครอบครัวของเขา ประการถัดมาคงจื้อได้เชิญ น, นักกฎหมายและผู้พิพากษามาพบคงจื้อได้กล่าวแก่นักกฎหมายและผู้พิพากษาว่าตนได้ศึกษาประวัตินักโทษแต่ละคนแล้วพบว่านักโทษเกือบทั้งหมดเป็นคนเขาเพราะไม่ได้รับการศึกษาอบรมหรือเป็นลูกของคนเขาและยากจนคนรวยมักได้รับการศึกษาจึงมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตได้เมื่อคนรวยทำอัชญรกรรมก็อาจจะหลบเลี่ยงโทษทันโดยให้สินบนแก่ผู้พิพากษา เพราะฉะนั้นงานที่จะต้องทํารีบด่วนก็คือขอจัดความโง่เขลาโดยการให้การศึกษาและขจัดความยากจนโดยช่วยให้เขามีความสามารถประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตรำนักกฎหมายและผู้พิพากษาถามว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีของจื่อตอบว่าการที่ตัวเราพวกท่านเป็นนักกฎหมายและผู้พิพากษาก็ขออย่าพลิกกับความยุติธรรมมีการตัดสินสําหรับคนจนอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนรวย กฎข้อแรกของพวกท่านก็คืออย่าทำอะไรแก่ผู้อื่นอย่างที่ท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นทำกับท่านผลการทดลองตามพิษฎีของของจือ้อปรากฏว่าต่อมาอีกสองปีเรือนจำในแคว้นหลูว่างเปล่าไม่มีนักโทษอยู่เลยความเชื่อของของจื้อที่ว่าทุกคนไม่อยากเป็นคนชั่วกระตรงกับความเชื่อของโซเครติสตว่ากล่าวคือโซเครติสเชื่อ ว, ว่าทุกคนอยากเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น แต่ที่หันไปทำความชั่วก็เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วหากรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วแล้วล่าก็ไม่มีใครหรอกที่จะหันไปทำความชั่วอย่างแน่นอนเพราะการทำความชั่วทั้งๆที่รู้นั้นไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์หรือหากถูกบังคับให้เลือกทำความชั่วสองอย่างก็จะไม่มีใครเลือกทำความชั่วชนิดที่หนักกว่าเลยสครเติสเชื่อว่าคุณธรรมจะคอยควบคุมไม่ให้คนทาความชั่วสมมติว่า ถ้าจะทําความชั่วโซเครติสก็ยังให้ความเห็นว่าถ้าบุคคลทําความชั่วทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเป็นความชั่วก็ยังดีกว่าคนที่ทําความชั่วโดยยังไม่รู้ว่าชั่วเพราะฝ่ายแรกยังมีความรู้ว่าอะไรดียังมีภาวะแห่งความดีเป็นสาระอยู่ในตัวผิดกับฝ่ายหลังยังไม่มีภาวะดังกล่าวเลยก็มีหวังทําความชั่วต่อไปได้เรื่อยๆคงจื้อเชื่อว่า หากได้ผู้นำที่ดีที่เด่นทั้งความรู้และคุณธรรมมาปกครองประเทศแล้วไซสก็จะบรนดาลความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นแก่พลเมืองได้เป็นแน่แท้ขงจื้อให้ความสำคัญต่อผู้นำประเทศชาติมากเป็นกับตันที่จะพารัธนาวาไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขความเจริญเพราะความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สูงส่งของผู้นาบรดาลให้เกิดขึ้นได้ ทั้งความดีของผู้นำก็ช่วยดึงดูดจิตใจของพลเมืองให้เอาแบบอย่างได้ด้วยของจื้อได้วางหลักสูตรสำหรับผู้ปกครองไว้9ก้าประการคือ 1. อบรมตนให้มีคุณธรรม 2. การยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถ 3. การปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดตามความสามารถเหมาะสมกับฐานะบุคคลในสังคม 4. การยกย่องขุนนางผู้ใหญ่หรือผู้มีอานาจในแผ่นดิน 5. การแผ่พระคุณไปในหมู่ของขุนนางผู้น้อง 6. การแผ่ความรักไปในหมู่รัษดรดุจบุตรธิดานในอุทธร 7. การสนับสนุนส่งเสริมศิลปะวิทยาและอาชีพต่างๆให้เจริญ 8. การต้อนรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาค้าขายหรือสวามิภักด้ 9. การผูกมัดน้ำใจเจ้าครองนครทั้งหลายด้วยไมตรีจิตสูตรทั้ง9ข้อนี้ มีนยโยบายปกครองตนปกครองประชาชนปกครองราชการนยโยบายการศึกษาเศรษฐกษิจตลอดถึงนยโยบายต่างประเทศและสูตรทั้ง9ข้อนี้สามารถย่อยลงในคำพูดสองคำคือเจิ้งเหมืองซึ่งแปลว่าการปฏิบัติงานให้ถูกต้องกับฐานะและชื่อเสียงของตนองจื้อมีความเห็นว่าในการปกครองประเทศผู้ปกครองอย่าใช้พระเดชนาหน้าเพราะการใช้พระเดช ทำให้รัษฎรเกรงกลัวได้ก็จริงแต่รัฐก็ได้รับความเกลียดชังจากรัษฎรเช่นกันเพราะกลัวกับเกลียดนั้นอยู่ใกล้กันมากการใช้กําลังถึงจะเอาชนะได้ก็เพียงชนะภายนอกไม่สามารถเอาชนะจิตใจรัษฎรได้เมื่อรัษฎรไม่พอใจมากก็จะมีความคิดต่อต้านหรืออย่างน้อยๆก็ไม่ให้ความร่วมมือแต่ตรงกันข้ามหากรัฐบาลใช้พระคุณนําหน้าพลเมืองก็จะนิยมชมชอบ และให้การสนับสนุนดังที่คงจื้อกล่าวไว้ว่าในการปกครองหากใช้แต่กฎหมายอย่างเดียวปกครองประชาชนสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยอัชญยแล้วประชาชนไม่เพียงจกหลบเลี่ยและเมิดกฎหมายเท่านั้นยังจะไม่มีความละอายต่อความชั่วด้วยความรู้สึกผิดชอบของตนแต่ตรงกันข้ามหากปกครองด้วยใช้คุณธรรมนำประชาชนสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนิติธรรมเนียมจารีตประเพณี ประชาชนก็จะมีความละอายต่อความชั่วด้วยความรู้สึกผิดชอบของตนเองทั้งยังจะ ก, ก้าวหน้าไปสู่ความดีเบื้องสูงได้อีกด้วยผู้ปกครองหรือรัฐที่ฉลาดจะต้องตระหนักเสมอว่าตนตกเป็นเป้าสายตาของประชาชนหากทำดีให้ประชาชนเห็นประชาชนก็จะยกย่องแต่ถ้าทำไม่ดีให้ประชาชนเห็นประชาชนก็จะหยียบย่าเพราะฉะนั้นผู้นาหรือรัฐบาลที่ดีที่ฉลาด จะต้องทําตัวเป็นตัวอย่างในทางที่ดีเพื่อให้ประชาชนเห็นดังที่จื่อลู่กับคงจื้อสนทนากันดังต่อไปนี้จื่อลู่ถามว่านักปกครองที่ดีนั้นเป็นอย่างไรคงจือ้อตอบว่านักปกครองที่ดีย่อมทาตนให้เป็นตัวอย่างของประชาชนในงานที่ต้องเกณฑ์ประชาชนทําอย่างเหน็ดเหนื่อยก็จงเป็นผู้เนื่องเสก่อนเขาเหล่านั้นคงจื้อกล่าวถึงวิธีสำเ ร, ร็จผลของการปกครองไว้หประการคือ 1>, 1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชนประชาชนก็จะให้เกียรติเขา 2. มีความอบอ้อมอารีต่อประชาชนประชาชนก็ย่อมจะจงรักภักดีต่อเขา 3. ามมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนประชาชนก็จะเกิดความบ้่นใจในผู้นำนั้น 4. ทำงานอย่างเข้มแข็งจริงจังก็ย่อมมีผลงานปรากฏอยู่เสมอ 5. สร้างพระคุณให้ประชาชน ประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนหรือผู้นํารัฐบาลดีเป็นที่พอใจของประชาชนแล้วประชาชนก็จะรักเทิดทูนผู้นําหรือรัฐบาลนั้นทั้งจะถือผู้นําหรือรัฐบาลคนนั้นนั้นเป็นแบบอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้นําหรือรัฐบาลก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้พระเดชปกครองบ้านเมืองความดีของผู้นําหรือรัฐบาลจะเป็นหลักประกันเกิดเป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนทําตามดุดฝูงโคก็ย่อมไปตามจ่าฝูงฉชนั้น ดังที่หลีคังจื้อถามคงจื้อว่าจะฆ่าพวกทุจริตให้หมดเพื่อรักษาคนสุจริตให้อยู่อย่างปกติสุขจะดีหรือไม่คงจื้อกล่าวว่าถ้าท่านเป็นผู้ปกครองที่ดีทําไมจะต้องใช้วิธีฆ่าฟันกันด้วยเล่าถ้าท่านทำตัวให้ดีประชาชนก็จะถือเอาเป็นแบบอย่างเองผู้ปกครองเหมือนลมประชาชนดุจเหมือนหญ้าธรรมดาหญ้าก็ต้องลู่ตามลมคงจื้อมีความเห็นว่า ผู้ปกครองที่ดีจะต้องฟังเสียงประชาชนถือเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ประชาชนต้องการอะไรก็ต้องตอบสนองดังนั้นเป็นฝ่ายประชาชนตลอดเวลาดังที่ของจื๊อกล่าวว่าสิ่งใดที่ประชาชนพอใจเราจงพอใจสิ่งใดที่ประชาชนเกลียดชังเราก็จงเกลียดชังผู้ใดทาอย่างนี้ผู้นั้นเชื่อว่าเป็นบิดามารดาของประชาชนถ้าใครทาได้ดังกล่าว ก็จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้นานเพราะไม่ถูกเล่นงานจากประชาชนแต่ถ้าทำตรงกันข้ามก็จะหลุดจากตำแหน่งได้เร็ววันหลังที่องจื้อกล่าวว่าผู้ที่ได้ประชาชนไว้ก็เท่ากับได้รัดไว้ส่วนผู้ที่ละทิ้งประชาชนก็เท่ากับเสียรัดไปด้วยข้อนี้แสดงว่าเสียงประชาชนมีความสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดผู้นาหรือรัฐบาลจะต้องฟังเสียงของประชาชนใช้เสียงประชาชนเป็นประลอดวัดอุณหภูมิ ของการปกครองตัดอย่างอื่นพอตัดได้แต่จะตัดเสียงของประชาชนนั้นไม่ได้ดังที่จืกงถามองจื้อดังต่อไปนี้จืกงถามว่าจะปกครองรัฐอย่างไรจรึงจะดีคงจื้อตอบว่าจงปกครองให้ประชาชนมีอาหารกินสมบูรณ์มีกองทัพเข้มแข็งและให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลจืกงถามว่า หากจำเป็นต้องตัดออกสักหนึ่งข้อจะตัดข้อไหนก่อนคงจื้อตอบว่าตัดกองทัพออกก่อนจือกองบอกว่าหากจำเป็นต้องตัดอีกหนึ่งในสองข้อจะตัดข้อไหนอีกผงจื้อก็ตอบว่าตัดอาหารออกเพราะมนุษย์มีความตายเป็นธรรมดาต้องตายทุกคนแม้จะต้องอดอาหารตายก็ยังดีกว่ารัฐบาลที่มีประชาชนที่เขาไม่นิยมนับถือประเทศที่มีรัฐบาลอย่างนี้จักตั้งมั่นได้อย่างไร ปรัชญาราะจริยธรรมของของจื้อของจื้อมองสังคมของมนุษย์ในแง่ของความสัมพันธ์ตามทฤษฎีแบบคือสังคมประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยคือปัจเจกชนแต่ละคนถ้าแต่ละคนเป็นคนดีสังคมก็จะดีด้วยการการะทําของแต่ละคนย่อมกระทบกระเทือนต่อสังคมเหมือนร่างกายเราประกอบขึ้นด้วยอวัยวะต่างๆถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับอันตรายก็ย่อมกระทบต่ออวัยวะหลายๆส่วนอันหนึ่งขงจื้อมีความเห็นว่า บุคคลแต่ละคนย่อมจะมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยไม่ฐานะใดก็ฐานะหนึ่งและความสัมพันธ์ขึ้นมูลฐานในสังคมที่ควรจะได้รับการปรับปรุงพัฒนามีอยู่หลายประการยกตัวอย่างเช่น 1. จริยธรรมทางกายหมายถึงจริยธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมจริยธรรมนี้มีชื่อว่าเจริญเหมืองคือการปฏิบัติให้สมกับที่ตัวเป็นหมายความว่า แต่ละคนย่อมจะมีความเป็นเช่นเป็นตำรวจเป็นครูเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างความเป็นแต่ละอย่างตามนามนี้บ่งบอกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบฉะนั้นเมื่อเราเป็นอะไรต้องทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบนั้นๆอย่างสมบูรณ์คงจื้อกล่าวว่าความยุ่งยากในสังคมเกิดขึ้นเพราะคนไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ ส่วนมากจะเป็นได้แค่เพียงในนาม 2. จริยธรรมทางใจคือหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองได้แก่ 2.1. ความรักความเมตตาหรือเหรนหมายถึงความรักโดยไม่จำกัดขอบเขตไม่มีการแบ่งแยกเช่นเดียวกับหลักเมตตาในพระพุทธศาสนาและหลักความรักแห่งพระเจ้าในศาสนาคริสต์2สสัมมาปฏิบัติ ได้แก่การกระทำในสิ่งที่เห็นว่าถูกหรือควรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือโดยแรงบังคับภายนอกที่พูดกันสั้นๆว่าทำความดีเพื่อความดีของจื้อกล่าวว่าในการกระทำของเราแม้จะกระทำสิ่งใดที่ดีแต่ถ้ากระทำเพราะหวังสิ่งตอบแทนอย่างเช่นชื่อเสียงเงินทองจะจัดว่าเป็นสัมมาปฏิบัติไม่ได้เราจะต้องกระทาความดีนั้นเพื่อความดี เพราะความดีมีค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วความดีไม่ได้อยู่ที่ผลที่ได้รับการปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวอาจจะเป็นการยากของจื้อจึงวางหลักปฏิบัติสั้น ๆ, ๆเพื่อให้การก้าวหน้าไปสู่จริยธรรมดังกล่าวข้างต้นไว้มีหลักปฏิบัติดังนี้คือ 1. ปฏิบัติ ต, ต่อผู้อื่นเหมือนดังที่ท่านปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติ ต, ต่อท่าน 2. จงอย่าปฏิบัติ ต, ต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่ า, าน อันหนึ่งคงจื้อกล่าวว่าผู้ใดที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมต่างๆได้อย่างไม่ท้อถอยจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักมิ่งคำว่ามิ่งมีความหมายว่าโชคชะตาหรือองค์การสวรรค์งจื้ให้ความหมายว่าการดำเนินชีวิตนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่พ้นวิสัยที่เราจะควบคุมหรือลิขิตได้มันเป็นอย่างที่มันจะเป็นเช่นเดียวกับที่ชาวพุทธพูดกันว่ามันเป็นกรรม ฉะนั้นในการครองชีวิตเราจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้เพื่อมิให้เกิดความท้อแท้ในการประกอบการทำความดีส่วนปรัชญาทางด้านการศึกษาอุดมคติความเป็นครูโดยปฏิปาทาของของจื้อเราสามารถที่จะมองเห็นอุดมคติในความเป็นครูอยู่หลายประการซึ่งอาจจะแยกแยะให้เห็นได้ดังต่อไปนี้ 1. การไม่ห่วงวิชาความยิ่งใหญ่ของของจื้อประการหนึ่งนั้น เห็นได้จากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์คือนับตั้งแต่สมัยคงจื้อเป็นต้นมาการศึกษาได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนหนุ่มผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพราะโดยการศึกษานั้นพวกเขาสามารถที่จะยกฐานะของตนเองจากกำเนิดอันต่ำต้อยไปสู่ความเป็นผู้มีศักดิ์สูงได้แสดงให้เห็นว่าขงจื้อไม่หวังความเป็นเลิศทางวิชาการไว้เพื่อศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของตนเองแม้แต่ผู้เดียว คงจื้อเองกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธที่จะอบรมสั่งสอนวิชาวความรู้ให้แก่ใครๆผู้ที่มีความกระหายอยากจะเรียนรู้แม้ว่าเขาจะยากจนซึ่งอาจจะหาได้เพียงเนื้อแห้งมัดเดียวเพื่อที่จะนำมาเป็นเครื่องตอบแทนน้ำใจ 2. ไม่หลงตัวเองเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอดังคํากล่าวที่คงจื้อได้อธิบายลักษณะของตนเองในฐานะที่เป็นครูว่า ไตรตรองสิ่งนั้นทั้งหลายสิ่งด้วยดวงจิตที่สงบเพิ่มพูนความรู้ให้สูงขึ้นแม้จะศึกษารู้มาแล้วมากมาย 3. ม, มีฉันทะหรือความเต็มใจในการสอนข้อความมักท้ายของคำที่คงจื้ออธิบายลักษณะของตนเองในฐานะที่เป็นครูมีอยู่ว่าไม่เบื่อหน่ายในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้อื่นเลยข้อความนี้แสดงให้เห็นความรักความเต็มใจในหน้าที่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของความเป็นครู 4. ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามเข้าไว้คงจื้อเป็นนักการศึกษาที่สนใจในจริยธรรมและใช้ชีวิตตามแนวจริยธรรมหรือความดีที่ได้เห็นแจ้งโดยใช้สติปัญญาในกรณีนี้ขงจื้อกล่าวว่ามีคนมากมายที่จะกระทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทาเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าไม่เหมือนผู้คนเหล่านั้น ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมามากเหลือสันเอาแต่สิ่งที่ดีงามและมาปฏิบัติตามข้าพเจ้าก็เห็นมามากศึกษาสิ่งเหล่านั้นและจดจําไว้ตี่เองทําให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้กับความรู้ที่แท้จริงนี่ก็เป็นแนวคิดกับปรัชญาของท่านคงจื้อนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังพอเป็นสังเขวหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันในการดํารงชีวิตดูนะครับ